ที่ต้องหนีตายกันนะฮะผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะจะเป็นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินสะเทือนตรงกระทั่งว่าผู้นำตัดสินใจรักษาโครงสร้างทั้งหมดไว้โดยยอมสูญเสียท่าล่างพื้นดินมาถมไวสิบเมตรได้นะับท่าล่างนีนค่อนข้างเป็นภาพที่เกี่ยวเนื่องกับโลกีด้วย น, นะมีลักษณะของวัตถยานปันจะมีเรื่องเมถุนธรรมแหล่งขึ้น อาจจะมีสาเหตุทางด้านจริยธรรมอยู่บ้างเล็กน้อยครับแต่ไม่เด่นชัดเท่ากับว่าบุกไฟระเบิดเพราะว่าถ้าสมมุติว่ากรบเพื่อปิดบังภาพที่อุจารมันไม่จําเป็นต้องทำอย่างนั้นนึกแกออกก็ได้ครับแกออกซะก็ได้ทิ้งไปก็ได้แต่ว่าเขาไม่ทําอย่างนั้นผ ม, มเชื่อมั่นว่าเหตุผลหลักก็คือปรากฏการธรรมชาติซึ่งจะทําลายโครงสร้างหลักข้างบินไปกลับประมาณหมื่น ของ150บาทครับผมไม่ได้โฆษณาให้บริษัทคารดินนะผมเชื่อว่าตอนที่เขาเลือกสามที่นะฮะตรงใจกลางของชุ่งลาบเกดุดทะเลกชุ่มลาบเกดุด น, น, นะฮะมันมีเนินย่อมๆที่เป็นหินอยู่คือภูเขาที่โผล่ขึ้นมาโผลยอดที่เป็นหินนะฮะแต่รากข้างล่างเป็นภูเขาทั้งแๆนะะเขาก็เลือกสร้างบนนี้เลยครับคือใช้ไม่ต้องคํานึงถึงการตอกฐานลาก เพิ่มสมรรถนะอเนกคือสร้างบนภูเขานี่เลยนะครอาศัยธรรมชาตินั่นเองเป็นฐานล่างและที่จริงมีสถตวุบริวารอยู่นะครัือจันดีเมนดุตจันดีเมนดุตจันดีปวรณ์แล้วก็จันดีบรพุโตนะครทั้งสามสิ่งนี้เนื่องและสัมพันธ์กันครับเพื่อเป็นทางจากทางเข้าใหญ่ที่เก้ากิโลนะครับเมื่อต่อสนิสที่ที่เดินหรือพราชานะครับครั้งกั้นั้นเนี่ยนั่งช้างมางก็ดีก็มาพัก แห่งรกต่อมาจะนั่งมา้านั่งหลังมา้าซึ่งเป็นเพณีโบราณสืบเนื่องมาจากเจ้าพินพิสารนะฮะเมื่อเสด็จไปเฝ้าพระองค์ที่กิจกูดเพื่อจะแสดงคารวะอย่างสูงก็คือนั่งช้างมาท่อนหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นนั่งหลังมา้าแล้วจะเดินเท้าทำทักษิณ น, นะฮที่นี่เข้าใจว่าคงได้ต้นแบบกันอย่างนั้นครับจึงสร้างปวางทางเป็นจำดีเลี้ยงคล้ายๆเจดีนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจแนละ้วว่ามันจะโยงกันหรือเปล่านะ ตะ ด, ดีเมนดุดซึ่งมีพุทธรูปที่สวยงามมากนะครับพระโพสต์พรโรเเ์สวนยี่งดงามยิ่งต่อไมาก็จากตะดีเมนดุดถึงบรอบโตนี่สามกิโลพอดีครับก็วนอยู่ตรงกลางครับแต่แค่พักเป็นช่วงช่วงขึ้นมาทีนี้ถ้าจะถามว่าบรอบโตมีเป้าหมายฟังก์ชันนะครับเป้าหมายเพื่ออะไรกันแนะ่ผมตอบได้เลยนะในหลายหลาย มัีที่ว่าการแรกจะสร้างเจดีย์แห่งโลกตราของโลกภพหรือบางคนคิดสนิษฐานว่าเป็นคอสมิกเมล์เท่นเป็นภูเขาแห่งจักรวาลเป็นมณฑนธรรมพูดกันเป็นร้อยๆความเห็นเลยเป็นร้อยๆคำเลยนะแต่ที่ชัดเจนที่สุดคือเป็นที่อภิเศษผู้มาใหม่ครับอภิเศษหมายถึงาการบวชเพื่อยกระดับ บางทีนะครับอันนี้ต้องใช้คาบางทีอาจจะเป็นที่กระทำให้คนรู้สึกเปลี่ยนแปลงโดยใช้ถาษาปฏกรรมนะซึ่งนับเป็นคมเฉลียวฉลาดตัวในช่างถามนิดเองต้องต้องลึกซึ้งมากจึงสามารถประสาน ร, ระหว่าง time space การยกระดับผนังที่กั้น เมื่อเรานั่งในห้องนี้นะครความรู้สึกของเรารับรู้จากสนเนียังนะห้องกว้างไปทางนี้ก็ร้อยวาเนะี่ยฮะเราจะรู้สึกอีกแบบนี้อารารู้สึกภายในเป็นมิติเนื่องกับภายนอกครับผมหมายที่ผิวหน้านะครับจนเราเข้าไปที่โบสถ์รู้สึกสงบอย่างประหลาดที่นี่ถูกออกแบบไว้อย่างดีนะคร เ, เพื่ออินดิเซเพื่ออพิเศษผู้เข้าไปในสถานที่นั้นแต่ปัจจุบันนี้ไม่เวิร์คครับเพราะล้วนแล้วแต่ม น, นักท่องเที่ยว ไปกันเป็นกระแสน้ําเลยครับแต่ถ้าใครไปเพื่อเจตนารุมดั้งเดิมนั้นจะพบความลําบากผมเองก็พบครับแต่ว่าตัดสินใจไม่สนใจใครดังนั้นนั่งตรงนั้นนะครับทําอะไรที่เราอยากจะทําการภาวนา อ, อะไรนอย่างเงี้ซึ่งลําบากมากครับต้องอดทนที่รอเวลาที่คนหมดแล้วแต่โชคดีนิดนึงตรงที่รัฐบาล เ, เขาเข้าใจ ความต้องการที่แท้จริงชาวพุทธเขาก็อนุญาตให้ชาวพุทธที่จะไปประกอบพิธีกรรมหรือทำกิจภาวนาเนี่ยเข้าไปในตอนคืนได้แต่ต้องไปเข้าบ้านพักรัฐบาลอยู่มีบ้านพักแพงนิดหน่อยครับอาหารพร้อมมีผมไม่ได้โฆษณาคือละ800บาทของเราเนี่ยร800บาทนี่หมายถึงอาหารทุกมือ้อนลย แล้วก็นอนได้สามคนซึ่งเมื่อก็แป0รอยบาทต่อห้องครับเป็นเช่นนั้นสามารถขึ้นไปบนบริวโดได้ทุกเวลากลายสว่างหรือเที่ยงคืนเนยผมก็จะมีไม่มากครับไม่มากนะครับไม่มากะแล้วบ้านพับของเอกชนธรรมดาก็ ถูกหน่อยครับแปดสิบาทร้อยบาทอะไรอย่างนี้นะครับผมสรุปง่ายๆอย่างนี้นะครับว่ามุสลิมก็มีครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องไปเมกกะชาวพุทธก็มักนิยมไปพุทธกยาครับแต่พุทธกยาก็เปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากฐานที่พุทธกยาเองนั้นไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของชาวพุทธนะร้อยเปเซนนะฮะเดี๋ยวนี้เรายังมีคำมติกรรมการร่วม าที่ดินนั้นเป็นของมหันของศาสนาฮินอยู่นิกายหนึ่งแล้วก็ก่อนหน้านี้อนาคาริกะทำปาระได้ต่อสู้โดยการช่วยเหลือของมาธมะมคันทีนะครับเพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของชาวพุตรทนายสุดก็จะเรียกไม่บรรลุเป้าหมายต้องตั้งกรรมการร่วมนเพราะว่าตัวสถูกสถานที่นั้นเนี่ยนะครับ เป็นที่ศัตรุ ข, ของพระพุทธเจ้าแต่เจ้าของที่ไม่ใช่พุทธศาสนิก mm hmm. เช่นเดียวที่บรุษบดีครับเจ้าของประเทศส่วนใหญ่เขาเป็นมุสลิมแต่เป็นมุสลิมซึ่งขี้คลายทางด้านมนุษยธรรมมากแล้วครับหลังนั้นชาวมุสลิมก็ภาคภูมิในบรุโดรนี้มากถึงกับเรียกว่า our temple เลยนเป็นโบสถ์ของพวกเรา ถ้าเป็นไปได้มีตังใช้พอจะเดินทางนะผมผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นบุญตามากๆบางทีมันจะเร้าศรัทธาให้เกิดขึ้นในคำนองที่ว่าทำไมนอกคนโบราณเขาถึงจริงจังมากจริงใจมากกับเรื่องอนนี้นะประจักษ์พยานอันนี้อาจจะกระตุ้นเตือนให้เราทำอะไรบ้างเพื่อประโยชน์สังคมโลกต่อขึ้นมนุษย์ แต่แม้ว่าไม่ได้ไปดูได้ยินได้ฟังก็น่าจะสบายอารมณ์ขึ้นบ้างหรือเปล่าครับคือคือสิ่งสวยงามเมื่อถึงะระเบิดถึงเนื้อที่จริงความเงาเน้นซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจเราเองครับเหมือนกับว่าเรารักแม่เราสึกแม่เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกบางคั้งที่แม่เราจริงๆอาจจะผิวกระดำกระด่างเหมือนเหมือนอแม่คนอื่นความงามทเป็นแสงสว่างในจิตใจนะครับ คำเพียร์วิธารรมบอกเราว่าเมื่อจิตดวงที่ชื่อว่าโสพนะจิตจิตงามปรากฏนะัณ ญ, ญาก็จะตามมาความงามเช่นนี้เนี่ยมันก็เป็เรื่องในสิ่งอีตาเนื้อเห็นนะส่วนใหญ่ที่ตาเนื้อเห็นนีนเน่เป็นเรื่องสวยแล้วมักเป็นเรื่องกิเลสปัญหาออกไปจิตใจที่งดงามนัม้นจะเห็นความงามในสิ่งที่เป็นอยู่เองในธรรมชาติได้ต้ น, นไม้ในตัวมัน มันไม่งามหรือมันไม่ไม่งามนะคแต่เมื่อจิตใจงามนั้นเราจะรู้สึกถึงความงามได้เห็นแสงแดดหรือได้เห็นน้ําปลาที่แหวกว่ายในน้ําอะไรอย่างนี้ยกลุ้งง่ายว่าจากความงามภายในเนี่ยมันจะส่งแสงมาภายนอกแต่ทุวันนี้จะกลับกันไหมครับการประกวดนางงามดูจะมืดๆอยู่ดูจะมีอะไรที่ลึกพิลึกและสวนทางกับคาสอนของพระเจ้าจ่ไม่ใช่น้อยครับที่จุดมันจะเป็นการค้าอยู่เบื้องหลัง การใช้เพื่อนมนุษย์เพื่อเพื่อเงินซึ่งเป็นเรื่องธรรมเลยครับมีคำถามอีกไหมครับประมาณติดบัญีได้ครับไปทักได้เลยครับสมมติเราไปวิธีไปนะครับก็คือจับเครื่อง บ, บ, บินจากกรุงเทพบินตรงไปลงส ก, กุลตาเมืองหลวงนะฮะ เราอาจซื้อตั๋วที่กรุงเทพนี้เองเน่ยคารุดาแอร์ไลน์ต่อได้เลยครับไม่ไม่ต้องไปค้างคืนที่จาการ์ตาซึ่งมึงสกปรกพอกรุงเทพน ะ, ระเราสามารถต่อขึ้นบินทายในประเทศไปลงที่ยอชยายอชยาการ์ตามึงหลงกลเลยเมื่อถึงที่นั่นแล้วก็ยังไม่ทันมืดครับเหมาแท็กซี่ก็ได้เพราะว่าจากยอกยาการ์ตาไปสู่บรุบุโธประมาณ45กิโลเมตรนครับ หมอแท็กซี่ก็ได้หรือถ้าอยากชื่นชมยกยามืองเก่าเป็นชนบทเล็กๆครับน่าน่าน่าน่ า, น, า, น, าน่าสนใจเหมือนกันก็จะดูหนังตะลุงหรือวายังหรืออะไรตามภาษาคนมีสตังเหลือนะฮะก็อาจจะพักคืนหนึ่งที่ยอลยาแล้วก็เพียงคืนเดียวนะรุ่งเช้าก็เก็บข้าวเก็บของไปพักที่บรูไบโดเลยชื่นชมที่นั่นแล้วก็มีเวลาไปที่ชมพนันเนะื้อพรมบานังเนี่ย ซึ่งเป็นฮินดูสร้างหลังบปดโดมสวยมากเหมือนกันครับน้าน่าทัหน้าดูน้าดูน่าชมเดีดเแล้วต่อจากนั้นก็ไปเซบูใกล้ๆกั น, นครับที่ว่าสี่ร้อยองค์ซึ่งมาเป็นก้อนหินล้วนๆอยู่ไะเรายังมีปอลซันปอลซันนี่สวยมากครับสวยแต่ว่าคนไม่ค่อยไปเพราะมันไม่มีรถเมล์ครับแต่ผมไปพูดกับ คนมีรถยนต์คนหนึ่งที่เขาเขาจะมาเที่ยวเปล่า ไ, ไม่รู้นะเพ อ, อยากดูจริงๆเขาก็คิดตังค์นิดหน่อยครับพูดถึงจะไปนั่นแล้วก็กลับเลยไม่ไม่จีตังค์ครับแต่ว่าถ้าจะเลยบาหลี ด, ด้วยนี่ค้าจะจ่ายก็เพิ่มขึ้นหน่อยแต่บาหลีก็น่าดูมากครับมันทำให้เรานึกภาพชุมชนชนบทของบ้านเราเมื่อ50ปีออก โดยเหตุผลที่ว่าแม้ความเจริญสังคมเมืองจอะเริ่มแผ่ขยายไปก็ตามเฉพาะพื้นที่ส่วนใหญ่ของบาหลีเป็นหลบภูอขอเขาไฟนระับดังนั้นมันก็อนุรักษ์ปกป้องไม่ให้เกิดการพัฒนาที่แสนอัพปยศิเนี่ยนะผมเติมท้ายหน่อยนะ <c oughs> การพัฒนาแสนอับปยศคือทำลายทุกสิ่งลงเพียงเพื่อความสะดวกสบายนะในการเสพต่างๆเมื่อเป็นลึกเขาไฟนะี่มันเป็นรนะิ้วอย่างนี้ครับ แล้วมีน้ําลําธารไหลข้างล่างแต่พัฒนาอะไรต้องทุ่มเงินประมาณมหาศาลนะฮะนั้นสิ่งนี้ก็เลยรักษารูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบาหลีไม่ได้ชาวบาหลีคล้ายคนไทยมากครับมีอะไรที่คล้ายใกล้เคียงกงัมากค น, คนผมหมายคนไทยโบราณนะฮะไม่ใช่คนไทยปัจจุบันนี้แต่ผมได้ยินข่าวครั้งล่าสุดว่ารัฐบาลกำลังจะสร้างเจ้าแม่อะไรเรียนแบบเจ้าแม่เสรีภาพที่นิวยอร์ก สูงที่สุดในโลกนี่คือหาญะครับเพียงเพื่อสนุกถึงแก่ดูสวนสนุกเกิดกขึ้นมากนะครเพราะคนมันเหลวไหลขึ้นชอบสนุกกับเรื่องแบบนี้ครับจนการรื่นรม<ไ>ในวิญ ญ, ญาณ น, นี่มันเป็นิ่งแบบนี้ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งที่บ ร, รูไทร์ทอลคือสวนข้างหน้าซึ่งแต่เดิมเป็นป่านะฮะถูกปรับให้เป็นสวนสนุกคล้ายดิสนีย์แลนด์ ดูแล้วมันไ ม, ไม่ได้บรรยากาศที่จริงควรจะรักษาปาาโหล่งไว้ตามเดิมครับเพื่อให้มันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมมากที่สุดเพราะว่าเมื่อเราไปชื่นชมอะไรสักอย่างนึงเราชื่นชมทั้งบรรยากาศนะคือทั้งหมดของมันนั่นเองครับแต่ดูเหมือนรัฐบาลกลางจะไม่ไมค่อยตัดสินใจมาในแนวทางนี้จําเป็นที่เขาต้องต่อสู้เพราะอินโดนีเซียยากจนมากเลยปัญหามากมาเหลือเกิน เป็นไปได้ทีเดียวอันนี้ก็มอาจะคิด้วยอัตไนนะครับว่าโรบุโทนั่นเองโรบโดนั้นเองได้กลมกลาววิถีชีวิตจิตใจของชาวชวานะครับให้อื้ออทรอนจนกระทั่งให้กำเนิดคนุกคัญคนหนึ่งทึ่เลอดจะลืมไปแล้วจุกาโนครับผู้ที่ต่อสู้ฝดแอกเทชาติและผู้ที่นักปรัชญายอมรับในวิธีคิดในเรื่อง ปั ญ, ญศีลครับหลักปัญญาศีลปัญญาศีลก็คือหลักที่จะทำให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลกนี้น ะ, ะัท่านถแถลงไว้ห้าประการทุกมจําไว้หมดการแรกก็คือต้องมีความรักชาติชุมชนของตัวเองอย่างมากการที่สองก็คือต้องรักชุมชนอื่นชาติอื่นด้วย nationalism แล้วก็ internationalism แล้วก็ศาสนธรรมนั้นสัจจะมีหนึ่งเดียวเขาประกาศนี้เลยนะ แล้วช่วยเหลือกับรัชชุมชนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเข้าใช้จำไม่ได้ครับลางเรียนหลักปัญญสีที่ถูกประกาศขึ้นมาอย่างสง่างามนะที่จริงเป็นหลักพุทธศาสนาผมอาจจะโยงตัวเองว่าสิ่งอันนี้เป็นผลสืบเนื่องจากครั้งหนึ่งอลคราชอาากสศรีวิชัยได้ถูกถากนาขึ้นแล้วเป็นเหตุให้พุทธธรรมแฝ ก, กึมซาบเข้าในวิถีชีวิตของเขา นะต่อมาภายหลังนะครับพ่อค้าหลับเด็กพลิกอำนาจรับทั้งหมดให้อยู่ในกํา ม, มือและกลายมุสลิมก็ตามผมคุยกับชาชวสวะแล้วรู้สึกว่านี่คือแบบฉบับของชาวพุตธแต่ตเขาบอกผมเป็นมุสลิมนีเองนะฮะเขาก็ซอฟท อ, อมพูดกันเบามากกันในรถไฟไม่เหมือนบ้านเราว่าเราโดยเฉพาะคนปากใต้นี่คนหนึ่งขึ้นประตูหน้ารถเมย์คนหนึ่งอยู่ประตูหลังตะกอนใสกันเลยสถาบานใต้ ความยิงธนงนั้นเป็สิ่งตรงข้ามกับมนุษยธรรมครับอมันยิงธนงมากเท่าไรธนงตนมากมนุษยธรรมจะด้อยลงครับนี่ไหมครับนี่คาถามไหม แสดนั้นต้องเปิดค a s สก่อนครับต้องสต u d y ดี้ให้พอเพียงหน่อ น, นะครับเพราะว่าพอไปเห็นแล้วมันจะตะลึงตะลานครับอนีเดี๋ยวนี้มีกลุ่มหนึ่งทางอิสานนะครับเขบาลังรวบรวมที่จะให้เป็นกลุ่มสตดี้บรรพุ ธ, โ, ธโดยเราไม่ต้องรังเกียจเราเป็นชวาหรือเป็นอินโดนีเซียนะครับที่จริงคือคนเราพูดถึงบรรพ บ, บุรุษชาวพุทธ เราไม่ได้หมายถึงอายุทยาหรือสุโไทยนะฮะความเป็นพุทธคือกวามที่น้องเนี่ครับดังนั้นชาวชาวาึครั้งหนึ่งเคยบรรลุถึงอารยธรรมพุทธอันสูงส่งนะฮะเราศึกษาได้เรายอมรับได้เราลักเขาไดนะ้แล้วเราก็เรียนรู้จากเขาได้ผมเองอยากเห็นเด็กรุ่นหลังโดยเฉพาะพิรุปนรุ่นรุ่นหลังๆนะครับเอ่อสาวสืออบเตาะภูมิปัญญาให้ลุ่มลึกเพราะทุกวันนี้เราเจอปัญหาว่า งานศิละปะมักเป็นงานที่ไร้สาละต้องพูดอย่างนี้เลยนะแล้วก็นึงจากไร้สาละนึงจากทอดทิ้งาศาสนธรรมนั่นเองทำให้สร้างรูปแบบศิละปะที่ใช้เทคนิคนำใครดูมลังมะเลืองดูพิลกกือกเกือรแต่ว่าแทบจะไม่มีประโยชน์ผมรู้สึกอย่างนั้นนะฮะที่จริงาศาสนาศิลนั้นเป็นสื่อที่สาคัญที่สุดครั้งอดีตครับ แต่มืนศิลปินรุ่นใหม่เขาถือว่าเป็นเรื่องด้อยถ้าเอาศิลปะไปรับใช้าศาสนาถ้าไม่รับใช้าศาสนาก็รับใช้ซาตานนั้นนะครับะพูดง่ายๆนั้นนะครับถ้าไม่รับใช้พระเจ้าไม่รับใช้ธรรมะก็รับใช้ซาตานรับใช้เนื้อหนังจะเรียกว่าศิลปะไม่ได้นะครับแต่ที่ผมเน้นนั้นไม่ใช่ตัวศิลปะนะครับแต่ผมจะเน้นเรื่องสุนทรียภาพผู้ที่เปี่ยมมาด้วยสุนทรียภาพ อาจจะทำศิละปะไม่เป็นเลยครับเช ร, ร์บิร์ริงค์วาดรูกไม่เป็นเลยแต่เขามีพื้นที่ภาพสูงจนกระทั่งว่าได้แนะนำยุวศิลปินหลายคนเดียครับพื้นที่ภาพคือความงามครับความรู้สึกในความงามในหัวใจความใจดีความมีสุขปปกรรมคำนี้เราไม่คุ้นหูแล้วนะครับเราคุ้นกับกุศ ล, ลกรรมกรรมที่เป็นกุศล อันี้1ับหนึ่งซึ่งลางเรือนสุพกรรมกรรมซึ่นรถงามยิ่งนะฮะมันเนื่องจากความงามในหัวใจนั่นเองที่ทำให้เรามีวาจาที่เป็นมัตรุรถต่อเพื่อนมนุษย์สิ่งนี้สลับสำคัญมากนะแล้วเป็นที่มาของศิลปะที่มีสเสน่ห์ครับอา จ, จเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าดูแล้วมีมีสเสน่ห์มากซึ่งครั้งอดีตเนี้ยบรรพบรุษของเราได้สร้างชุมชนด้วยดวงจิตชนิดนี้ เฉลียวฉลาดในเรื่องมโนธรรมใช้วัสดุแต่น้อยแต่ได้รับความพึงใจสูงปัจจุบันนี้เราใช้แมทเรียนอย่างพุ่มเฟือยเลยสิ้นเปลืองแล้วได้รับความพึงใจน้อยนิดครับก็รานไปดูนะหัวกลิตคดีด้ามกลิตด้ามกวาเนี่ยเขาแก้ก็มีเวลามากมายที่จะถ่ายทอดอารมณ์สิทธิภายในนะฮะผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้รับขนานนามว่าเป็นรัตนยู ผู้รู้ราตรีนานเพราะว่าค่ำคืนยาวนานมากพอที่นั่งจ่ายจองปรัชญาธรรมสำรวจตรวจสอบอุปนิสัยของบุตรหลานดังนั้นไม่ช้าไม่นานนะครับโดวยวิถีชีวิตเช่นนั้นกลายเป็นปลากพื้นบ้านทีนี้รักกันอยู่พูร้ราตรีนานไม่ก็มีครับเพราะเรานั่งดูทีวีกันจนเที่ยงคืนแล้วก็นอนเลยกินข้าวเสร็จก็ ด, ดูหนังดูละคร น, น้าเน่าไม่มีเวลาเลยที่จะมานั่ง เห็นหิงห้อยเรืองแสงในที่มืดค่อยครัวและจ่ายตรองที่จริงพ่วงเวลาที่ดีสุดคือหลังกินข้าวแล้วนะฮะซึ่งไม่มีอะไรมาดิสแทร็ที่ดึงดูดไปไม่ช้าไม่นานนึครับความรู้สึกลึกซึ้งในตัวชีวิตเนี่ยมันจะเห็นอับเห็นธทมขึ้นเองคนระับโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในกระแสธรรมชาติคนที่นั่งจักสารในใต้ลำไม้สี่สิบปีอะไรจะเกิดขึ้นครับคือความลุ่มลึกความทราบซึ้งในตัวชีวิตเนี่ยมันตามมาทันทีนะฮะ แต่ที่นี้เราไม่มีครับเราวิถีชีวิตเช่นนั้นเราสูญเสียไปหมดแล้วเหมือนที่ผมเริ่มต้นว่าวิถีชีวิตทุ่งชาวบุรปทิศนะครับที่เป็นอยู่ง่ายง่ายสบายสบายนะครับคานี้ ม, มีมีความหมายลุ่มลึกครับเดี๋ยวนี้เราเป็นอยู่สะดวกสนุกแต่เราไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ผมว่านะครับต้มีปัญหามากมายที่ไปเชิญท้าทายให้แก้ไขแล้วดูเหมือนจะแก้ไม่ตกด้วยนะ ดังนั้นความก้าวหน้าของเราเนี่นะฮรูปแบบที่ก้าวหน้าเป็นความก้าวหน้าที่ถดถอยได้ค่ะคือความก้าวหน้ามีนะฮะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยถดถอยคือยิ่งยิ่งก้าวยิ่งจมไปเรื่อยนะยิ่งแก้ปัญหาปัญหาใหม่จะผลิตออกมาให้แก้เรื่อยๆครับเราใช้เทคโนโลยีนำในสุดเราต้องค้นหาเทคโนโลยีเพื่อมาซ่อมเทคโนโลยีขึ้นอีกในสุดเราสาลวนเราติดกลับแล้วครับเหมือนเรามาถึงจุด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 เผินไปด้วยยวดยานแต่ว่าข้างในเราดำมืดข้างในเราตกต่ำานี่ยถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาทั้งหมดต้องถูกแก้จากในสุดออกไปข้างนอกแต่ทุกวนี้เหมือนเราจะเจรจาแก้ปัญหาด้านนอกกันมนุษย์ค่อยๆถดถอยด้อยค่าด้านคุณภาพลงทุกทีในขณะที่รูปแบบไลฟ์สไตล์ดูเสมือนว่าก้าวหน้าเห็นไฮะนี่เองที่เป็นเหตุใหเราต้อง ทำไมต้องบรมโดครัทำไมเราต้องคำนึงถึงความงดงามของทิ่นั่นทำไมเราต้องเรียนรู้ภูมิปัญญาครั้งอดีซึ่งสะท้อนโดยตรงออกมาจากสัทธานใน ห, หัวใจถ้าเป็นเรียนศิลปกรามาบ้างหรือเป็นคนที่มีความไวอ่อนในเรื่องจิตใจนะฮะความไวอ่อนไม่ใช่ใจอ่อนนะความว่องไวเส้นสติเนี่ยเราจะพบบรมปโตสอนมากครับเป็นเสมือน เครื่องหมายของการุณธรรมสิ่งนี้มันส่งสำคัญเลยครับเราอจะคุยโวในฐานะชาพูดว่าพุทธศาสนาหรือศาสนาปัญญาผมว่าไม่ใช่เรามาดูวิธีบวชการบวชของพรามนี่คือบวชเข้าสู่อำนาจครับเด็กหนุ่มพอครบวัยที่กำหนดไว้ก็สวมสายยันโยบวิดเป็นพรามเพื่อเข้าเป็นมีเดีเตอร์สื่อกลาง เข้าสู่วันณะอันสู ง, งส่ง บ, บวชเข้าสู่วันณะครับแต่ฝ่ายพุทธศาสนาลราบวชออกจากอำนาจครับถือว่าธรรมะคืออำนาจที่แท้จริงแต่ทางโลกถือว่าอำนาจเอาอำนาจมาเป็นความถูกต้องใครมีอานาจคนนั้นก็ชนะไปเดังนั้นเมื่อพระเจ้าออกบวชท่านก็เลยลงมือคัดค้านวิถีชีวิตค้านพราหมณ์ตลดลเวลานะครัศาสนาพรามไม่มีอะไรเมากกว่การยำยกรรมครับเอาชีวิตของพระของแกเพื่อคนเรือพระเจ้า ในขณะที่พู้เจ้าท่านเริ่มแสดงการุณยธรรมศาสนาพุทธเป็นอย่างนั้นจริงๆเนยตลอดพระชนชีพของพระเจ้าเป็นการเหน็ดเหนื่อยเพื่อผู้อื่นมีย่างสุขเก่าวได้นะครับว่าการุณยธรรมได้ถูกประกาศอย่างวดงามยิ่งที่บรมปัวด้วงเมื่อไปเดินรอบๆแล้วจะรู้สึกสรบว่ารอยยิ้มของพระโพธิสัตว์คดีท่าเยื้องกายท่ามุตราเนี่ยมันเหมือนคําปรบปรโลม ในหัวใจต่อผู้ตกทราบว่าเธอไม่ต้องกลัวหรอกชีวิตไม่มีอะไรยึดกลุมความรู้สึกทางธรรมะให้ดีรักษาหัวใจให้ให้ดีไว้ตลอดจะชนะอุตส่าห์ทั้งปวงผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าอาจจะเพิ่พกไปตามวาสนาบารมีก็ได้นะเพราะว่าคือความเป็นสื่อที่ลุ่มลึกอยู่ในตัวมันเองครับถ้าว่ามันไม่ถูกเก ส, สร้างอย่างเสแสร้ง ถ้าเสีแซงอีกเรื่องหนึ่งครับแต่นี่เขาทำด้วด้วยแรงศรัทธาเห็นได้ในความประณีบบรรจงในการวางท่าขององค์โปรยศักดคดีนะฮะที่ติดบรรจงดเหมือนเขาจะรู้ว่าเขากาลังทําเพื่ออนุชนรุ่นหน้าเขามันจะต้องการแสดงออกถึงความอีโก้ของเขาเพื่อว่าข้าหนึ่งในแผ่นดินดูเหมือนยังไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับดเือนเขาพยายามเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอดีตที่เขาเลื่อมใสนะครับกับปัจจุบันที่เขากําลังดํารงอยู่ และเอื้อทอนไปยู่อนุชนข้างหน้าดังนั้นอาร์เจกนายช่างจึงวางแผนหนึ่งแยบเย็งที่ใช้ก้อนหินเล็กๆก็ด้เหตุผลว่าจะคุ้มครองมันให้นานที่สุดคนไทยโบราณก็เหมือนกันเขาหรองมีศาสนามากนะในยุคที่ไม่มีหนังสือในยุคที่ไม่มีเครื่องมือถ่ายทอดโดยความเอื้อเฟื้อการดุญธรรมของพราหานขั้นกระดีลงทุนแบ่งกลุ่มแล้วใช้มุกกปาถา ช่องปากเล่าถ่ายทอดเป็นรุ่นเป็นรุ่ น, เ ป, น, นเป็นรุ่นเพื่อให้คนรุ่นหน้าได้สัมผัสนี่คือเรื่องราวของอดีตครับอดีตไม่ใช่สิ่งที่ต้องไม่ยึดถือคล้ายๆอดีตไม่เกี่ยวกับคำสอนของเจ้าอยู่ที่ปัจจุบันเท่านั้นผมว่าเขาจะผิดอดีตมีความหมายยิ่งครับบางทีเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดสุนรนะครัจริงๆนั้นเรายังมันยังไม่มาจริงๆด้วยนะเราเรียนอะไรได้น้อยมากครับแต่อดีตสาคัญมากความสําคัญไม่ได้อยู่ตรงความ ยิ่งใหญ่หรือความด้อยสำคัญตรงเป็นบทเรียนซึ่งปรากฏขึ้นแล้วครับแล้วพอเราเรียนรู้อดีตให้พอเพียงครับก็จะรู้ทันทีทิศทางอารยธรรมนี่อันตรายยิ่งที่เป็นอยู่ในทวันนี้มือสมองพัฒนาไปไกลห่างเหินไม่ได้ส่วนกับหัวใจนะกับอารมณ์รู้สึกด้านห น, นึ่งนี่ันคืออันตรายครับอันตรายตรงโนคิดเก่งคิดมาก แต่รู้สึกคล้อยตามได้น้อยนิดเดียวครับคิดว่าเวลาลงเลยมาแล้วครับขอยุดิถเท่านี้ครับ